พวกเราเชาวพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธ า, คว า, าทความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิท ย, ทยาลัยต่างๆเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษามีระดับปิญญาหลายระดับด้วยกัน เมืกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีระดับปริญญาตรีโทเอกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิที่จะศึกษาเพื่อที่จะได้รับปริญญาต่างๆ ต, ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของพระพุทธศาสนาที่มีระดับปริญญาสี่ระดับด้วยกันที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถที่จะคขว่คว้าเอามาเป็นสมบัติของตนได้นี่คือสถานภาพของพวกเราพวกเรากำลัง ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อรับปริญญาของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือมรรคสี่ผลสี่และแถมด้วยนิพานอีกหนึ่งมรรคสี่ผลสี่มรรคกับผลนี้จะเป็นคู่กันเป็นสี่คู่ มีอยู่สีระดับมรรคผลของพระโสดาบันมรรคผลของพระสกิดาคามีมรรคผลของพระอนาคามีและมรรคผลของพระอาหารหันต์ก็เหมือนกับมรรคผลของระดับปริญญาตรีร ะ, ระดับปริญญาโท ร, ระดับปริญญาเอกอมรรคคืออะไร มักก็คือช่วงเวลาที่นักเรียนนักศึกษาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้แล้วเมื่อนำเอาไปทดสอบถ้าสอบผ่านก็จะได้รับป ร, ริญญานะมักก็คือการริ่มเรียนเช่นระดับป ร, ริญญาตรีก็ต้องริ่มเรียนอยู่4ี่ปีด้วยกัน เมื่อเรียนแล้วผ่านการผ่านการสอบได้แล้วก็จะได้รับปริญญาตรีปริญญาตรีก็เรียกว่าผลการเรียนอยู่สี่ปีก็เรียกว่ามร์เมื่อเรียนจบสปีแล้วสอบผ่านแล้วก็จะได้ผลคือได้ปริญญาตรีแล้วพออยากจะต่อโทก็ต้องเรียนอีกสองปี ก็เรียกว่ามรคของปริญญาโทพอเรียนจบทําข้อสอบต่างๆได้แล้วก็จะได้รับปริญญาโทก็เรียกว่าได้รับผลเช่นเดียวกับปริญญาเอกก็ต้องมีมรคมีผลเหมือนกันต้องมีการเรียนมีศึกษามีการค้นคว้ามีการวิจัยต่างๆจนผ่าน การพิจารณาของครูบาอาจารย์ว่าได้ทำครบทุกอย่างแล้วก็จะได้รับปริญญาเอกไปทางมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็มีการเจริญมรรคก่อนเพื่อที่จะให้ได้ผลการเจริญมรรคของพระโสดาบัน ก็เป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์สามข้อด้วยกันคือข้อที่หนึ่งก็คือสักกายะทิฏฐิข้อที่สองก็คือวิจิกิจฉาข้อที่สามก็คือศีลัตพัลมาสานนี่คือ การศึกษาและการทำข้อสอบคือต้องปฏิบัติศึกษาว่าศีลพะระตะสกายาทิฏฐิเป็นอะไรวิจิกิจฉาเป็นอะไรศีลพระตะประมาถเป็นอะไรเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ปล่อยวางละไม่กระทำไม่ให้มีอยู่ภายในใจถ้าปล่อยได้วางได้ ทั้งสามข้อก็จะได้ผลคือโสดาปฏิผลช่วงที่ศึกษาช่วงปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์สามข้อเรียกว่าเป็นมรสโสดาปฏิม ร, ร์ก็คือต้องศึกษาว่าสกายาทิฏฐิคืออะไรั่นก็ว่าคือการถือว่า ขันห้าเช่นร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นตัวเราเป็นของเราในความจริงความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรโ้ว่าขันห้าคือร่างกายและความรู้สึกนึกคิดของเรานี่มันไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรามันเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ มันมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันเกิดและมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันดับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันไม่ดับไปสั่งให้มันเกิดไม่ได้ถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดถึงเวลามันจะดับมันก็ดับถ้าเราไม่ไปยึดติดกับ ขันห้าไม่ไปยึดติดกับร่างกายไม่ไปยึดติดกับความรู้สึกนึกคิดเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์เพราะว่าเราจะอยากให้มันไม่ดับนั่นเองหรือถ้ามันเป็นของที่เราไม่ชอบเราก็จะอยากให้มันดับเช่นเราไม่อยากให้ร่างกายดับเพราะเราชอบร่างกาย แต่เราอยากให้ทุกขเวทนาดับเพราะเราไม่ชอบทุกขเวทนาเมื่อเราเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบในขันห้าเราก็จะเกิดความอยากกับขันห้าแล้วเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับขันห้าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรามาติดอยู่กับขันห้า เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอนิจจังก็คือไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงและมีการดับไปเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไปเวทนาก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีทั้งสุขขเวทนามีทั้งทุกขเวทนามีทั้งไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเขาก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเขาเกิดจะให้เขาดับก็ดับไม่ได้เวลาเขาไม่เกิดหรือว่าเวลาเขาเกิดแล้วอยากให้เขาอยู่ไปก็บังคับเขาไม่ได้เช่นเวลาเกิดสุขขเวทนา ก็อยากจะให้เขาสุขไปเรื่อยๆไม่ให้จากไปอันนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาก็หายไปจากสุขเวทนาก็กลับมาเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาจากไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเดี๋ยวก็กลับมาเป็นทุกขเวทนาเขาก็สลับไปสลับมาตามเรื่องของเขาเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนกลางวันกับกลางคืน เราไม่ได้ไปวุ่นวายไปทุกข์กับกลางวันกลางคืนไม่ได้ไปทุกข์กับฝนฟ้าอากาศเพราะเราปล่อยวางเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราไม่ไปถือว่าเขาเป็นเราเป็นของของเรานี่คือขันห้าที่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเราพอเป็นเราเป็นของเราเราก็รักเราก็หวง เราก็อยากจะจัดการกับมันตามความชอบของเราถ้ามันดีเราก็อยากจะให้มันอยู่ไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆพอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องยอมรับความจริงของขันห้าว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเรา มันเป็นฝืนดินฟ้าอากาศเป็นเหมือนการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ถ้าเรามองขันห้าเหมือนกับเรามองฝนฟ้าอากาศมองเหมือนกับมองดินน้ำลมไสเราก็จะไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะไม่มีความอยากที่จะให้เขาอยู่หรือให้เขาไป เขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาไปก็ปล่อยเขาไปเช่นร่างกายจะไปจากอาการ32สองไปเป็นดินน้ำลมไฟก็ต้องปล่อยเขาไปทุกเวทนาจะอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขาไปเพราะจะทุกข์เพราะความอยากเราก็เราก็จะเห็นอริยสัจสี่มีเห็น ความทุกข์ของเราว่าเกิดจากความอยากของเราเองไปอยากในของที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงไปอยากในของที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเราก็เลยทําให้เราทุกข์แต่พอเรามีมรรคคือมีปัญญาเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงขันห้ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับไปตามเรื่องปเป็ราตามราวของมัน ไปอยากให้มันไม่ไม่ดับไม่เกิดไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาก็หยุดความอยากได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันมันจะดับก็ต้องปล่อยมันดับไปร่างกายจะดับก็ปล่อยมันดับไปเวทนาทุกขเวทนาจะตั้งอยู่ก็ปล่อยมันตั้งอยู่ไปถ้าเราปล่อยมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เราก็จะละสักกายะทิฏฐิได้ละด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการไปอยากให้ขันหานั้นไม่เที่ยงจากจากการเป็นไม่ของไม่เที่ยงให้มันเที่ยงเป็นไปไม่ได้อยากให้มันเป็นของเราเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราเพราะอยากแล้วจะทําให้เราทุกข์ เราไม่อยากจะทุกขกันเราก็เลยต้องหยุดความอยากกันพอหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับขันห้าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันทุกขเวทนาจะโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ทุกขกับมันปล่อยมันโผล่ขึ้นมาปล่อยมันตั้งอยู่แล้วก็ปล่อยมันดับไปของมันเองถึงเวลามันก็ไปมันไม่ได้อยู่ไปตลอด มันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเหมือนกับสุขเวทนามาแล้วเดี๋ยวก็ไปเหมือนกับไม่สุขไม่ทุกขเวทนามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันผัดกันมาผัดกันไปอย่างนี้ไปตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้และมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปจนร่างกายนี้แตกสลายดับไปเวทนาทั้งสามก็จะหมดไป นี่คือการเจริญมรรคของพระผู้ที่จะรับปริญญาคือระดับผู้ที่จะรับผลของพระของการเป็นโสดาบันก็ต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์อย่าไปอยากให้มันสุข อยากไปอยากให้ทุกขมันดับไปเพราะอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากไปอยากให้ร่่งกายไม่ตายอยากไปอยากให้ตายถึงเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาจะตายไปอยากให้มันตายก็ทุกข์เหมือนกันนี่คือการพิจารณาละสกายติฏฐิละที่ละด้วยอริยสัจสและด้วยธรรมที่เห็นว่า การยึดติดการอยากในในขันห้าในร่างกายในความรู้สึกนึกคิดนี้จะทําให้ใจทุกข์การที่ไม่มีความอยากให้ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นไปตามความอยากของเราก็จะทําให้เราไม่ทุกข์กับขันห้าก็จะมีดวงตาเห็นธรรม ก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปด้วยเพราะธรรมนี้ก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงสแสดงเป็นผู้ทรงสั่งสอนเป็นผู้ทรงตัดสรุปเป็นทรงเห็นอริยสัจสี่เมืได้นําเอาอริยรรสัจสี่นี้มาเผยแผ่สั่งสอนอทรงเห็นสักกายทิฏฐิทรงละสักกายทิฏฐิได้แล้ว จึงได้นํามาสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาและได้ละกันพอผู้ปฏิบัติได้ศึกษาและได้ละก็จะเห็นว่าเป็นไปตามความจริงทุกประการเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ทุกประการก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมที่ทรงสแสดงแล้วก็ไม่สงสัยว่าใครเป็นพระอริยะสงฆ์ พระอริยสงฆ์ก็คือผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานั่นเองก็คือผู้ที่รักษะสกายะทิฏฐิได้ลัวิจิตกิจฉาได้ความตั้งเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหมดไปละศีลพัตปรมาตได้คือละการบำเพญ็ญการปฏิบัติพลดต่างๆ ที่จะมาดับความทุกข์ใจที่ไม่ใช่เป็นทางทางที่จะมาดับความทุกข์ใจนั้นต้องดับด้วยปัญญาดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่ไปให้ไปหาหมอดูแล้วก็ให้หมอดูทำพิธีสะดเดาะเคาะอะไรต่างๆหมอดูก็บอกว่าให้ไป เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเช่นเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆเราก็อยากจะให้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อนี้ไม่ดีมัง้งนามสกุล น, นี้ไม่ดีทรงผมนี้ไม่ดีให้ไปเปลี่ยนเสียแล้ว ร่างกายก็จะดีสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ที่ใจคือความไม่สบายใจที่ไปไม่สบายใจกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของทางร่างกายวิธีที่จะทำให้หายไม่สบายใจก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาธรรมชาติของร่างกายว่า การเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันเป็นเรื่องผิดเรื่องผิดปกติหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายของใครบ้างที่ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยต่างกันไปอันนั้นก็มันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพของร่างกายสภาพของการดูแลร่างกายสภาพของสิ่งแวดล้อมที่ร่างกาย สร้างอยูอ่ก็อาจจะทำให้มีความเจ็บข้ได้ป่วยมากน้อยต่างกันไปแต่ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะไปทำพิธีสะดาะข้อกรรมอะไรต่างๆจะไปไหว้ลาหุนจะไปลอดใต้ถุนโบสหรือจะไปทำอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมากำจัดความเจ็บข้ได้ป่วยของร่างกายได้ ถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้มันเมื่อมันเจ็บเราก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปปล่อยให้มันตายไป ถ้าเราเห็นความจริงแล้ยอมรับความจริงนี้ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ต้องไปทําพิธีสอสเดาะเคราะห์เพื่อแก้เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยกันเคยเห็นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยพอเขาหายเขาก็ไปเลี้ยงพระเลี้ยงมังสวิรัตเพราะมี คนแนะนำว่าเลีเ้ยงอาหารมังสวิรัตแล้วจะทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เป็นสีลพัตตปาลมาต์มันจะเลี้ยงอะไรหรือไม่เลี้ยงอะไรมันร่างกายมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีจะเจ็บน้อยจะเจ็บมากท่านั้นเองมันก็ขึ้นอยู่กับวิบา ก, กรรมด้วยชาติก่อนก็ไปทาบาปทำกรรมมามากมันก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยมาก คนที่ทำบาปทำกรรมน้อยก็จะมีวิบากน้อยอันนี้ไม่รู้กันก็เลยพยายามที่จะไปทำพิธีต่างๆเพื่อจะกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปกำจัดยังไงมันเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกไปทำบุญเรื่อง มังสวิรัตหรือไปทำอะไรมันก็หนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บอกีกตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ตราบนั้นร่างกายนี้ก็ยังจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจนกว่าจะไม่มีร่างกายนี้เท่านั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะหมดไปก็คือตายเมื่อตายแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอีกต่อไป ผู้ที่เห็นด้วยปัญญาก็จะไม่ไปทำพิธีสะดเดาะเคราะห์กรรมอะไรต่างๆใช้ปัญญาสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งมันได้ไ่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกข์พอทุกข์ก็ต้องไปหาวิธีดับทุกข์ ก็ไปหาวิธีดับทุกข์ด้วยการไปหาหมอดูไปทำไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอทำแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นชั่วคราวเดี๋ยวพอเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็เหมือนเดิมแต่ถ้าใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคือปล่อยวางละส ก, กายาทิฏฐิได้ ยอรับว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่วงพน้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าปล่อยใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเมื่อไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปทำพิธีสเสด็จเพราะาอะไรต่างๆนี่คือการละสังฆะ และสังโยชน์สามข้อของพระของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระสุตดามันการศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของขันห้าว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ไปอยากก็จะไม่ทุกข์ ผู้ที่เห็นความจริงก็จะไม่อยากให้ร่างกายเที่ยงไม่อยากให้ร่างกายเป็นของเราพอไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไม่ไปทำศีลพัฒนาปรมาไม่ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดา ะ, ะ, ะความทุกข์ใจต่างๆด้วยวิธีการต่างๆ ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นม า, าก็สแสดงว่าได้ทั้งมรรคได้ทั้งผลอตอนต้นก็ต้องได้มรรคก่อนถึงจะได้ผลแต่ก่อนที่จะมาจะเจริญมรรคได้ก็ต้องมีบันไดาพาให้มาสู่ขั้นนั้นก่อนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ก็ต้องผ่านระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมก่อน ฉันใดผู้ที่จะเข้าสู่ระดับปัญญานี้ได้ก็ต้องผ่านการทำบุญทาทานมาก่อนผ่านการรักษาศีลมาก่อนผ่านการฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบมาก่อนถึงจะมีกาลังที่จะศึกษาในระดับปริญญาได้ถึงจะมีความสามารถที่จะสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ได้ เข้าสู่ขั้นปัญญาไนดะ้ก็ต้องทำทานก่อนรักษาศีลห้าก่อนแล้วก็ขยับขึ้นไปรักษาศีล8ปดแล้วก็ไปปีกวิเวกหาที่สงบไปนั่งสมาธิทาใจให้สงบเมือใจสงบแล้วก็จะเห็นความจริงเห็นความจริงของใจรักเห็นความจริงของร่างกายของเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่เป็นนิจจังสุขขังอัตตา mm hmm. เมื่อเห็นความจริงก็จะละความหลงความเห็นผิดเป็นชอบได้ mm hmm. คือ mm hmm. การเห็นว่าร่างกายเวทนาเป็นเราเป็นของเราการไปเห็นว่ามันเที่ยง mm hmm. ก็จะหายหลงหายอยากหายทุก็กจะบรรลุเป็น พระโสดาบันขึ้นมาได้พอจบขั้นสโสดาบันแล้วก็เหมือนกับจบขั้นปริญญาตรีอยากจะเรียนปริญญาโทต่อก็ต้องไปลาสังโยชน์อีกสองข้อคือการมาราคะกับปฏิคะพระโสดาบันยังไม่ได้ทําข้อสอบสองข้อนี้ทําเพียงสามข้อแรกคือสกายทิฏฐิ วิจิตกิจฉาสีละพัตฐะปรามาอยายังไม่ได้แต่ข้อสอบคือการมาราคะและปฏิฆะการมราคะก็คือความอยากความใคร่ในการเสพการในการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเรียกว่าการมราคะปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดลำคาญใจเวลาเกิดการมาราคะแล้วมันก็จะเกิดปฏิฆะ เวลาอยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี่มันจะอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนสุนักเดือนเก้าสุนักเดือนเก้านี่มันก็มีการมาราคะมันก็มีปฏิฆะมันจึงไล่กัดกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะกำจัดปฏิฆะกำจัดการมาราคะด้วยการรปเส พ, พกามกับสุนักตัวอื่นแต่มันก็เป็นการระงับ ความหงุดหงิดลำคาญใจไว้ชั่วคราวหลังจากที่ได้เสพกามแล้วมันก็จะหายหงุดหงิดชั่วคราวแล้วพอเกิดความกามมารคะาขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดก็จะตามมาใหม่ผู้ที่ต้องการกําจัดกามมารคะากําจัดปฏิค่ะจําเป็นจะต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย อย่าไปมองส่วนที่สวยงามเพราะเห็นที่เห็นส่วนที่สวยงามของร่างกายแล้วก็จะเกิดกล้ามราคะขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเสพการกับร่างกายที่สวยงามถ้ามองส่วนที่ไม่สวยงามมองเวลาร่างกายตายไปมองเวลาร่างกายขึ้นอืดพองขึ้นมาลองเวลาที่น้ำหนองน้ำอะไรต่างๆไหลออกมา มองเวลาที่ อ, อวัยวะต่างๆาทะลักออกมาเช่เนตับไตไส้พุงอมองเห็นเวลาที่หนังเนื้ อ, เ, อเปื่อยหายไปเหลือแต่โครงกระดูกอันนี้ก็คือการมองอสุภะมองความไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วพยายามนึกอยู่เรื่อย ให้มันจดให้มันจำไว้ให้ติดตาติดใจเวลาที่เกิดการมาราคะก็เอาภาพที่ไม่สวยงามเหล่านี้ขึ้นมาในใจพอขึ้นมาปั๊บการมาราคะมันก็จะหายไปขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอาอาัศวภาสขึ้นมามันก็จะทําให้การมาราคะและปฏิฆะหมดไปได้ สำหรับผู้ที่ทําให้เบาบางลงไปคืงทําให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็จะได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีตามตาําราท่านแสดงไว้ว่าผู้ที่ทําให้การมราคะและปฏิฆะเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดนก็จะได้บรรลุเป็นพระสกิดาคามี แล้ขั้นที่สามก็คือผู้ที่ทําให้การมาราคะนี้หมดไปอย่างถาวรทําให้ปฏิคะหมดไปอย่างถาวรก็จะได้บรรลุทำขั้นที่สามช่วงที่เจริญอสุภะนี้เรียกว่าเป็นการเจริญมักพิจารณาอสุภะอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆดูทั้งวันทั้งคืนดูให้มันจดให้มันจําแล้วก็ เวลาเกิดการมาราคะขึ้นมาก็ดูว่าดับมันได้หรือไม่หยุดมันได้หรือไม่ทันมันหรือไม่หรือเผลอเวลาการมาราคะเกิดขึ้นก็ลืมอสุภาไปถ้าลืมก็เหมือนกับทิ้งอาวุธไว้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นทาหารออกรบแต่ออกรบโดยลืมเอาเอาวุธติดตัวไปพอไปเจอข้าศึกศัตรูก็ถูกข้าศึกศัตรูยิงตาย ผู้ที่ยังไม่เจริญอสุภะจนสามารถที่จะอยู่ติดกับใจได้ตลอดเวลาเวลาเกิดการมาราคาขึ้นมาก็หลงก็ลืมได้แล้วก็ไปเสพกามได้โดยไม่รู้สึกตัวเพราะการพิจารณาอสุภะนี้ยังไม่เพียงพ อ, อยังไม่สามารถเอามาใช้ดับการมาราคาได้ ก็ต้องมันพิจารณาไปเรื่อยๆจนสามารถที่จะเอาอสุภานี้มาสู้กับการมาราคะได้ทุกเวลาทุกครั้งที่การมาราคะเกิดขึ้นก็มีอสุภะมาตับมันจนกระทั่งการมราคะมันก็จะหมดไปหมดด้วยอำนาจของอสุภะการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกาย ก็จะบรรลุเป็นธรรมขั้นที่3ได้ขั้นพระอาณาคามีแล้วขั้นที่4ก็คือการละสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์5ข้อแรกนี้เราเรียกว่าสังโยชน์เบื้องล่างเบื้องบนก็มีอีก5เบื้องบนนี้เป็นข้อสอบของผู้ที่จะต้องการไปเป็นพระอาหารหันต์ที่จะต้องผ่านข้อสอบที่จะต้องละสังโยชน์ เบื้องบนหข้อคือรูปราคะอรูปราคะมานะวิจิกิตรุทธัจจและอวิชช า, ารูปราคะก็คือความยินดีในรูปฌานอ า, อารูปราคะก็คือความยินดีในอรมูปฌานมานะก็คือการถือตัว อุทธัจจคือการฟุ้งของจิตในขณะที่จเจริญปัญญาเพื่อละอวิชาเวลาที่ค้นค้าหาอาวิชานี้จิตจะต้องใช้เหตุใช้ผลพิจารณาและถ้าใช้เกินกับมากเกินไปเกินความพอดีก็จะทำให้ฟุ้งซ่านได้ ก็ต้องละความฟุ้งซ่านด้วยการหยุดพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วก็เข้าสู่ความสงบพักจิตก่อนพอจิตออกจากความสงบแล้วค่อยพิจารณาค้นคว้าหาอาวิชชาต่อไปว่าอาวิชชาคืออะไรอวิชชาคือการไม่รู้อริยรรสัจสี่ที่ละเอียดที่สุดที่ยังมีอยู่ภายในจิตยังไม่เห็นตันหาความอยากที่มีอยู่ในจิต ก็เลยยังมีความวุ่นวายใจอยู่วุ่นวายกับเรื่องของจิตนั่นแหละเรื่องของอารมณ์ของจิตที่ยังมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่มีสุขมีทุกข์อยู่แต่ใจยังไม่อยากจะให้สุขอย่างเดียวไม่อยากให้มีทุกข์ก็ใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาไปเพื่อที่จะดับความทุกข์ ยาในใยที่สุดก็ไปค้นพบว่าเกิดจากความอยากให้อารมณ์ต่างๆนั้นมันเที่ยงแท้แน่นอนให้มีแต่ความสุขซึ่งก็เป็นอนิจจังเป็นไปไม่ได้พอเห็นก็ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตก็จะละอวิชชาได้ก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่ก็คือ มรกผลของขั้นของพระอารหันต์ผู้บำเพ็ญจะต้องละสังโยชน์เบื้องบนทั้งห้าข้อละความยินดีในรูปฌปานละความยินดีในอรูปฌานละมานะการถือตัวละอุทธัจจะละอวิชา่อ ล, ละได้แล้วก็จะบรรลุเป็นพระอารหรันต์ พอได้ถึงขั้นพาาระอรหันต์ก็จะได้รางวัลคือพระนิพพานได้การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดขั้นอื่นนี้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขั้นโสดาบันนี้ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างมากไม่เกินเจดชาติขั้นพระสะกิดาคามียังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างน้อยก็อีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมาก ส่วนพระอนาคามีก็ไม่ไม่เวียนว่ายตายเกิดในการมาพบไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่มีพระอารหันต์เท่านั้นที่จะเข้าไปถึงพระนิพพานได้เข้าไปที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนี่เกิดปัญญาขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือขั้นพระอารหรันต์ มหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาสอนวิธีการตัดภพตัดชาตินี้เองตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลําดับได้เป็นพระโสดาบันก็จะเหลือภพชาติไม่เกินเจ็ดชาติได้เป็นพระสกิดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาภพไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่ ก่อนที่จะไปเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่จะเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพวกเรานี้เป็นเหมือนนักศึกษาที่กำลังศึกษากันอยู่ในแต่ละดับกันตามกำลังแต่ก็ต้องผ่านเป็นขั้นเป็นตอนจะไม่สามารถเข้าสู่ขั้นปริญญาเอกได้ โดยไม่ได้ผ่านขั้นป ร, ปริญญาโทมาก่อนไม่สามารถผ่านขั้นปริญญาโทได้โดยที่ยังไม่ได้ผ่านขั้นป ร, ปริญญาตรีและไม่สามารถเข้าสู่ระดับปริญญาตรีได้ถ้ายังไม่ได้ผ่านชั้นมัธยมจะเข้าสู่ชั้นมัธยมได้ก็ต้องผ่านชั้นประถมชั้นประถมมาก่อน จะเข้าชั้นปฐมได้ก็ต้องผ่านชั้นอนุมานอนุบาลมาก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนของการศึกษาของทางโลกซึ่งเป็นเหมือนกับขั้นตอนการศึกษาของทางธรรมใจก็ต้องผ่านขั้นตอนของการศึกษาและปฏิบัติจากขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นยากก่อนขั้นอนุบาลก็คือขั้นการทำทานทําบุญเป็นขั้นที่ง่ายที่สุด เมื่อผ่านขั้นทำบุญทำทานได้ก็จะเข้าไปสู่ขั้นรักษาศีลห้าได้รักษาศีลห้าได้ก็จะขึ้นไปรักษาศีลแปดได้พอรักษาศีลแปดได้ก็จะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวได้เพื่อที่จะไปเจริญสติควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดเพื่อที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิ ก็จะได้ผ่านขั้นมัธยมเข้าสู่ขั้นมัธยมถ้านั่งสมาธิได้ก็ถือว่าได้เรียนจบชั้นมัธยมพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็ต้องไปสอบเอนทราน์เพื่อให้ได้เข้าไปศึกษาในระดับมหาวิทยาลายัยเอ็นทราน e ก็คือว่าเราสามารถพิจารณาตายรักเป็นหรือไม่เห็นควาว่า เข้าใจคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรหรือไม่ความไม่มีตัวตนว่าเป็นอย่างไรความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้เป็นอย่างไรอันนี้เป็นขั้นของผู้ที่มีปัญญาถ้ายังไม่มีปัญญาก็ยังจะไม่สามารถเจริญมรรคต่อนี้ได้ถ้ายังไม่สามารถเข้าใจคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไร เข้าใจคำว่าอนัตตาเป็นอย่างไรเข้าใจคำว่าทุกขังเป็นอย่างไรทุกขังเกิดจากอะไรเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาใช่หรือไม่เข้าใจหรือไม่รู้หรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เจริญปัญญาต้องเข้าใจคำว่าตัณหะอย่างละเอียดละอ่ เข้าใจคำว่าอ น, นิจจงว่าเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าอ น, นิจจงอะไรเป็นอ น, นิจจงอะไรเป็นอนัตตาอะไรเป็นทุกขังอันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมไปก่อนไปติวเข้มก่อนเพื่อที่จะได้สอบให้เข้าเอ็นทา์นให้ได้พอ สอบได้ก็แสดงว่ามีปัญญาที่จะสามารถไปเรียนระดับปริญญาต่างๆได้แล้วเข้าใจแล้วคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วว่าคำว่าทุกขังเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วว่าคำว่าอเนกตาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะไปศึกษาเพื่อไปละสักกายทิฏฐิสมข้อแรกศึกษาว่าขันห้าคืออะไร รูปเวตนาสัญญาสังขารมิญญารูปก็คือร่างกายร่างกายนี้มีอะไรก็มีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยว ะ, วะต่างๆรวมกันก็มีสามสิบสองชนิดด้วยกันในสามสิบสองชนิดนี้มีตัวมีตนหรือไม่มีส่วนไหนที่เป็นเราหรือไม่เป็นตัวเราหรือไม่เป็นของเราหรือไม่ มันอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่หรือไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งมันก็จะกลับคืนสู่ที่เดิมของมันก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมฝฟนี่ก็คือการศึกษาเพื่อละส ก, กายทิฏฐิต้องพิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นดินน้ำลมฝฟเป็นอาการสาสสองไม่มีตัวตนในร่างกายอันนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในร่างกาย ไม่มีหญิงไม่มีชายในร่างกายไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาไม่มีบิดามารดาในร่างกายอันนี้ร่างกายทึกร่างกายมีเพียงอาการสามสิบสองที่ ท, ทำมาจากดินน้ำลมไฟที่ไม่เที่ยงที่จะต้องกลับคืินสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาร่างกายนี้ตายไปไม่ได้มีพ่อแม่ เดือพี่น้องตายไปไปกับร่างกายพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้ที่สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอยู่ที่ใจไปกับใจต่อไปไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลบาปใหม่ ถ้ายังมีตันหาความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆพอร่างกายอันนี้ตายไปก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ดังนั้นเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเจ้าของร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือพ่อไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่ สามีภรรยาบุตรธิดาย่าสนิทมิสหายไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาครูบาอาจารย์พระราชามาหากษัตริย์บุคคลต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสาสบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟ และก็จะแยกกับคืนสู่ดินน้ำหนุนไฟไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจึงเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนผู้ที่ไปหลงยึดติดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเหมือนกับไปยึดติดว่าดินน้ำฝนฟ้าอากาศเป็นของเราเราสามารถสั่งฝนฟ้าอากาศให้ตกก็ได้ไม่ตกก็ได้เราสั่งไม่ได้ เป็่เวลามันจะตกมาบอกอย่าตกหยุดตกซะก็สั่งมันไม่ได้เราจึงไม่ไปสั่งฝนฟ้าอากาศเราจึงไม่ทุกข์กับฝนฟ้าอากาศแต่เราไปทุกข์กับดินน้ำลมไฟที่มาเป็นอาการสามสิบสองเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เราก็สั่งมันได้บางเวลา เราก็เลยคิดว่าเราจะสั่งมันได้ตลอดเวลาเช่นตอนนี้เรายังสั่งมันได้สั่งให้มันเดินไปไหนมาไหนได้สั่งให้มันกินสั่งให้มันทำอะไรได้แต่เดี๋ยวมันจะต้องมีวันหนึ่งที่สั่งมันไม่ได้มันจะนอนอยู่บนเตียงบอกไปแมะไปไหนไม่ไหวแล้วจะให้กินก็ไม่อยากจะกินให้กินก็กินไม่ได้จะให้ดูก็ไม่ดูจะให้ฟังก็ไม่ฟัง ตอนนั้นเราถึงจะรู้ว่ามันสั่งมันไม่ได้มันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราจึงต้องศึกษาให้มันรู้ก่อนที่มันจะเกิดเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันนั่นเองเช่นเดียวกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือความรู้สึกนึกคิดในในใจของเรามันก็ไม่เทีย่ยมันก็ เกิดเกิดดับดับไปไปมามาเนื้ทนาเกิดแล้วก็ดับความคิดเกิดแล้วก็ดับสังขารคิดปรุงแต่งแล้วก็ดับวิญญาณรับรู้แล้วก็ดับไปสัญญาจําได้แล้วก็ดับไปของทุกอย่างเกิดดับเกิดดับจะไปไม่ให้มันไม่เกิดไม่ดับไม่ได้มันจะดับก็ต้องปล่อยมันดับไปมันจะเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดไปเท่านั้นเองถ้าปล่อยไม่ไปยุ่งกับมันไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใจก็จะไม่ทุก นี่คือขั้นของการเจริญปัญญาขั้นการศึกษาเพื่อละสักกายทิฏฐิพอละสักกายทิฏฐิได้ก็จะละวิจิตกิจชาได้เพราะจะเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าธรรมนี้เป็นของจริงผู้ที่แสดงธรรมก็คือพระพุทธเจ้าก็เป็นของจริงผู้ที่บรรลุธรรมก็คือพระอริยสงสากก็เป็นของจริง เราจะไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหรือไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพิสูจน์ที่ประเทศอินเดียเพราะพี่ประเทศอินเดียจะมีซากที่อยู่ของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เรากันไปประเทศอินเดียกันเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่ไปดูที่เกิดไปดูที่ตัสรู้ไปดูที่แสดงธรรมครั้งแรกไปดูที่ตาย เมื่อไปแล้วเห็นก็จะเชื่อว่าเออพระพุทธเจ้ามีจริงนะแต่ก็ยังสู้การเห็นพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการละศักกายทิฏฐิไม่ได้อันนี้จะจริงกว่าจะมั่นใจกว่าเพราะว่าเราก็ยังอาจจะถูกหลอกได้ว่าที่นี่เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าอาจจะไม่เป็นที่เกิดก็ได้มีใครจะมายืนยันได้เพราะาพระพุทธเจ้าก็ตายมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้ว เกิดไม่ได้เกิดที่ตรงนี้เราจะไปดูว่าเกิดจริงหรือไม่จริงอาจจะมีคนมาอุตริบอกว่าตรงนี้แหละใช่เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะมารับรองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนมารับรองเองแล้วใครจะมารับรองได้ไปดูก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดียังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอยู่ดีแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมมีดวงตาเห็นธรรมอันนี้จะไม่สงสัยโดย อย่างเด็ดขาดเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่เพราะตอนนี้พระธรรมมันแสดงอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างแห่งธรรมนี้พอมันเริ่มฉายแสงแล้วมันไม่ดับนะมันฉายไปเรื่อยๆฉายไปตลอดเวลาถ้าผู้ใดมีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วผู้นั้นจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นอนแลไม่สงสัยวิธีกำจัดความทุกข์ ความไม่สบายใจต่างๆจะไม่ไปทำบุญสเดเาเคาะด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้สบาย อ, อกสบายใจเพราะว่ามันไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การมีปัญญากา ร, การในการไม่มีปัญญาแล้วไปอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยากให้มันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเรา พอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาสูญเสียสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราไปเช่นสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาไปก็ทุกข์อยากจะได้คืนก็ต้องไปทำพิธีแล้วก็ไปมีสามีภรรยาใหม่มีลูกใหม่แล้วก็ขอให้สามีใหม่ภรรยาใหม่ลูกใหม่นี้ไม่จากเราไป ได้มากี่คนเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีไปทําพิธีสะด็จเคาะอย่างไรมันก็จากกันอยู่ดีวิธีที่จะไม่ทุกข์กับการพัดภาคจากกันก็ต้องอย่าไปมีหรือมีแล้วก็ต อ, อย่าไปยึดอย่าไปติดต้องยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดานี่คือ เรื่องของการมาศึกษาวิธีตัดภพตัดชาติวิธีตัดการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือหลักสูตรของพระพุทธศาสนาไม่สอนวิชาอื่นสอนวิชาดับความทุกข์สอนวิชาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับจิตใจดีกว่าวิชาทางโลก ที่เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเรียนจบปริญญาเอกแต่ใจก็ยังไม่รอดพ้นจากความทุกข์ใจก็ยังต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอยู่แต่ถ้าเรียนจบปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจจะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปไม่ทุกข์กับความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทุกข์กับการพัดผ่าจากกัน เพราะจะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเองนี่แหละคือปริญญาของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่ามรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกิตสเกคาดาสเกคาดามีมรรคสเกคาดามีผลอานาคามีมรรค อนาคามีผลอรหัตตมักอรหัตตผลอยู่ในพระพุทธศาสนานี้อยู่ในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาที่พวกเรากำลังมาศึกษากันอยู่ในตอนนี้ขอให้เราศึกษาไปเรื่อยๆปฏิบัติกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเรายังเข้าไม่ถึงมหาวิทยาลัยก็ไปไป ไปเตรียมตัวก่อนถ้ายังอยู่ขั้นอนุบาลก็ทําบุญทําทานไปก่อนถ้าอยู่ขั้นปฐมก็รักษาศีลห้าไปก่อนรักษาศีลห้าแล้วก็ขยับขึ้นไปรักษาศีลแปดพอเข้าสู่ชั้นมัธยมก็ไปนั่งสมาธิไปเปกเวเวกไปทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็ไปศึกษาว่าอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรก็ไปศึกษาในมหาวิทยาลัย พอเราได้สมาธิเราก็จะมีความสามารถที่จะไปพิจารณาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้เราก็จะสามารถไปละสักกายทิทิละสีละพัตตาปรมาละวิจิกิจชาละกามราคะละปฏิฆะละอรุปรูปราคะละอรูปราคะละมานะละอุทัจจะและละอวิชาได้ เมื่อเราละสัโยช์ทั้งสิประการนี้ได้เราก็จะเรียนจบปริญญาเอกของพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทุกย่อมมีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าอยากจะไม่มีทุกข์ก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพากจากกันถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็ต้องยุ ต, ติการเกิดแกเ่เจ็บตาย การจะยุติการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องละตัญหาคือกามตันหาภวะตันหาววภาวะตัน ห, หาให้หมดไปจากใจเมื่อไม่มีตัญหาทั้งสามแล้วก็จะละสังโยชน์ทั้งสิบประการได้ละการเกิดแก่เจ็บตายได้เข้าไปสู่พระนิพพานได้นี่คือเรื่องของการมาศึกษาในมหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนา ขอ e. ให to profiles, help. Help, ้พวกเราตั <cultural> ้งใจศึกษากันถึงเวลาเข้าห้องเรียนก็ต้องเข้ากันถึงเวลาทำการบ้านก็ต้องทำกันถึงเวลาทำข้อสอบก็ต้องไปสอบกันอย่าหนีเรียนอย่าหนีการทำการบ้านอย่าหนีการทำข้อสอบถ้าหนีแล้วก็จะไม่สามารถที่จะเรียนให้จบได้ก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ แต่ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านตั้งใจทำข้อสอบและทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่างที่เราเรียกว่าสุปฏิปันโนรับรองได้ว่ามรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาักังเอวเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโตปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภาภิวาทานศีลิสะนิจังอุทธาปจายิโนจตารุธรมมวันติ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 พราต้องการจะไปพักผ่อนบ้างเหมือนนักมวยต่อยเสร็จเขาก็ยังมีตีละครังพอตีละครังแล้วเขาก็ไปกินน้ํากินท่าไปาพักผ่อนไม่ใช่พอไปตีละครังนั่งที่มุมก็ยังตามมาต่อยที่มูมเหมือกตายคําถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถาม ลูกสงสัยว่าอัฐิหรือเกษาของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราได้แบ่งมาจากญาติธรรมทำไมไม่เป็นพระธาตุเหมือนกับของญาติธรรมที่เราแบ่งมาจากเขาหรือว่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเราด้วยหรือเปล่าเช่นอัฐิเกษาหลวงตามหาบัวที่ลูกได้ขอแบ่งมาจากญาติธรรมคนหนึ่งค่ะมันก็ไม่ได้เป็นทุกชิ้นทุกอันหรอกร่างกายนี้มันมีบางส่วนบางชิ้นที่มันเป็น บางส่วนมันก็ไม่เป็นมันไม่ได้เป็นทั้งร่างกายทุกทุกทุกอาการสามสิบสองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ได้เป็นทุกเส้นดังนั้นมันจะเป็นไม่เป็นมันก็ไม่ได้ทำให้เราฉลาดขึ้นหรือโง่ลงหรอกมันของพวกนี้เป็นเพียงแต่ยืนยันว่าท่านเป็นเท่านั้นเองเวลาที่กระดูกของท่านเป็นพระธาตุก็เพียงแต่ยืนยันว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์ท่านได้หลุดพ้น มันก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นไปเท่านั้นเองแต่ตัวเราเองก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราจะดีขึ้นหรือจะเร็วลงไม่ได้อยู่การที่เรามีพระธานหรือไม่มีพระธานุแต่อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติดีขึ้นหรือปฏิบัติเร็วลงถ้าปฏิบัติดีเราก็จะดีขึ้นถ้าเราปฏิบัติเร็วเราก็จะเร็วลงมันก็มีเท่านี้ ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องพระธาตุว่าเป็นหรือไม่เป็นเราได้มาก็ถือว่าเป็นการเจริญสังขานุสติก็แล้วกันว่านี่คือส่วนหนึ่งของพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่ท่านได้เป็นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วถึงแม้ว่าชิ้นส่วนของท่านที่เราได้รับมานี้ไม่ได้เป็นพระธาตุก็ไม่ได้ทําให้ท่านด้อยลงไปแต่อย่างใดท่านก็ยังเป็นพระอาหารหันต์เหมือนเดิมอยู่ งั้นการที่มีพระาธาตุหรือไม่มีพระาธาตุก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญอะไรคาถามจากคุณสุรศิษฐ์นั่งสมาธิจิตรวมนิ่งอยู่รู้กำหนดภาวนาอยู่ว่างๆลมหายใจอยู่แต่ไม่มีลมหายใจครับรู้ว่าอยากให้จิตละเอียดลงอีกแต่จิตรู้ไม่เคลื่อนจึงกำหนดรู้ว่างๆอยู่อย่างนั้นเพราะไม่อยากออก ขอคำแนะนําพระอาจารย์เพื่อปฏิบัติต่อครับก็ให้มีสติรู้อยู่สักแต่ว่ารู้ไปรู้ตามความเป็นจริงตอนนี้มันว่างก็รู้ว่ามันว่างถ้ามันยังไม่ละเอียดกว่านี้ก็รู้ว่ามันยังไม่ละเอียดกว่านี้อย่าไปอยากให้มันละเอียดให้รู้เฉยๆถ้าอยากจะให้ละเอียดกว่านี้เราต้องมาเจริญสติให้มากกว่านี้กําลังของสติยังไม่สามารถ ดึงใจให้เข้าไปอยู่ในระดับที่ละเอียดกว่านี้ได้เพราะกำลังของสติมียังไม่มากพอเราก็ต้องหมั่นเจริญสติหลังจากที่เราออกจากการนั่งสมาธิแล้วอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมต้องมีสติคอยควบคุมตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วคราวหน้านั่งสมาธิมันอาจจะลงลึกกว่าเดิมและละเอียดกว่าเดิมได้ คำถามจากคุณแต๋มราชนีความรู้สึกผิดมันติดอยู่กับเราแล้วเราจะตัดมันออกได้อย่างไรคะไม่ต้องไปตัดมันหรอกรู้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถ้าไปอยากไปตัดมันอยากจะใช้มันหามันก็ยิ่งจะไม่หายใหญ่เพราะเราเป็นตัวนึงมันกลับมาอทุกอย่างมันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ที่มันยังไม่ดับที่ยังไม่ไปก็เพราะเราไปดึงมันกลับมาคิดอยู่เรื่อยๆอดีตมันผ่านไปต้องนานแล้ว กยังเอามาคิดอยู่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งหงุดหงิดลำคาญใจเพราะอยากจะให้มันไม่อยากจะให้มันหายไปวิธีที่จะทําให้มันหายก็ใช้สติพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่เดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปของมันเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทุกคืนเวลานอนหนูจะนอนดูลมหายใจเหมือนนั่งสมาธิ จนรูน้สึกกายเบาสบายคล้ายๆจะหายไปแต่ยังพอจะได้อยู่เล็กน้อยถ้าจิตฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็กลับมารู้สึกตัวดีสลับไปมาความคิดที่ฟุ้งดับไปจิตรู้สึกตัวดีและหลับไปถ้าเวลาจะตายหนูกำหนดดูลมแบบนี้จะสมควรไหมคะก็อย่าไปทำให้ใจมันทุกข์กับอะไรก็แล้วกันให้ใจสงบ ถ้าดูลมแล้วทำให้ใจสงบได้ก็ดูไปถ้าดูแล้วไม่สงบก็อาจจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ให้มันไปอย่าไปยึดอย่าไปติดแต่ถ้าตายด้วยอุบัติเหตุถ้าจิตกำหนดไม่ทันและขณะนั้นมีความตกใจอย่างนี้จะไปอบายก่อนไหมคะก็ตอนนี้อตอนนี้ยังไม่ตายก็รีบพิจารณาก่อนดี พอถงเวลาตายจะได้ทันถ้ามานั่งแต่คิดอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีวันจะทันตั้งหมันพิจารณาอยู่เรื่อยว่าเราต้องตายเราต้องตายพอมันเกิดอุบัติเหตุมันก็ปล่อยได้ทันทีคําถามจากผู้ฝากถามถ้าว่ากันตามหลักธรรมหลักกฎแห่งกรรมนี้คนที่ฆ่าตัวตายเพื่อยุติปัญหาความทุกข์ใจคือนิสัยติดตัวที่เขาเคยทํามาแล้ว ในอดีตชาติใช่ไหมคะทุกอย่างที่เราทำในวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นจากนิสัยเดิมของเราเราเคยทำอะไรมาเราก็จะทำอย่างนั้นเราเคยชอบอะไรเราก็จะชอบอย่างนั้นแต่นิสัยเหล่านี้เราเปลี่ยนได้แตเราต้องบังคับใจเราเช่นเราชอบกินกาแฟเราบอกว่ามันไม่ดีต่อ่นี้เราอยากกินทุกครั้งอยากจะกินกาแฟก็ไม่กินมันเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากกินกาแฟมันก็หมดไป แล้วถ้าคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายเป็นทางออกเวลาเจอปัญหาทุกข์ใจมากกว่าสองครั้งอย่างนี้พอจะเดาได้ว่าเขาเคยฆ่าตัวตายมาในอดีตไหมคะมันต้องไปเดาหรอกมันมันจะเคยหรือไม่เคยมันก็เป็นอดีตไปแล้วให้ดูในปัจจุบันว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องต้องไปแก้ที่ใจแก้ที่ความอยาก พราความทุกข์มันเกิดจากความอยากมันไม่ได้เกิดจากร่างกายร่างกายมันไม่รู้อิหน่เนี่ยอย่อยาไปยุ่งกับมันไปมันอยู่ไปมันถึงเวลาไปมันไปเองความทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปก็ต้องมาหยุดความอยากของเราและการยับยั้งการคิดฆ่าตัวตายได้ดีที่สุดคือการฝึกสติใช่ไหมคะฝึกสติแล้วก็ฝึกปัญญาต่อ มีสติแล้วก็ต้องมีปัญญาให้รู้ว่าเราจะต้องหยุดอะไรไม่ได้ไม่ให้ไปหยุดที่ร่างกายให้ไปหยุดที่ใจหยุดที่กิเลสเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพยายามที่จะหยุดความอยากก็ไปหยุดที่ความการไม่รับประทานอาหารเพราะคิดว่าเมื่อไม่รับประทานอาหารแล้วความอยากจะหมดไปความอยากมันก็ไม่หมดต้องไปหยุดที่ใจคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เวลาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบเช่นสัตว์ที่เราเกลียดสภาพร่างกายคนที่มีโรคร้ายไม่สวยงามคือแม้ไม่ได้เห็นของจริงเห็นในหนังสือก็พยายามไม่มองหรือรีบพลิกหน้านั้นไปบางทีเป็นภาพติดตาหรือเมื่อนึกถึงก็เกิดความขยาขแยงในใจเมื่อรู้ว่าไม่ชอบเราจะมีหลักหรือวิธีในการพิจารณาอย่างไรดีคะ ไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยจะทำยังไงก็ทำให้มันชอบสิมันจะได้หมดปัญหาไปให้ชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบแล้วใจของเราก็จะเป็นกลางได้สิ่งไหนที่เราชอบเราก็เลิกชอบเสียสิ่งไหนที่เราไม่ชอบก็หัดชอบเสียแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้คำถามจากคุณสลักจีด แต่ก่อนที่บ้านมีศาลปัจจุบันรื้อออกไม่ได้มีพิธีรือ้อรื้อมาได้ประมาณสองเดือนเศษปัจจุบันแม่สามีเกิดป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สปกติแม่สามีก็อยู่บ้านคนละที่สามีคิดว่าส่วนหนึ่งที่แม่ป่วยเขาคิดว่าในในศาลมีเทพพรญายดาอาลักษ์เราไปรื้อถอนออกเลยส่งผลให้คนในบ้านหรือญาติป่วยไม่ทราบว่าเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ และจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจคะอันนี้ก็สีลัทพิปัจจามารมณ์คิดว่ามีสารเจ้าแล้วจะทําให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเอาใจมันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะมีสารเจ้าหรือไม่มีสารเจ้ามันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมดงนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การมีสารเจ้าหรือไม่มีสารเจ้าปัญหาก็คืออยู่ที่การเกิด ถ้าไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตายอยู่ที่มือเราใช่ะหมพอมือเราตรงนี้มันก็มีเสียงมือเราวิเศษไหมนเนี่ยพอเอาเข้ามาก็หยุดเรื่องสัญญาณบางทีมันมันวิ่งไปวิ่งมาเพะฉนั้น <ST> S> <S ให้ไปแก้ที่ใจออย่าไปแก้ที่ศาลพระภูมิ มีสารปรดภูมไม่มีสารปรดภูมิมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอย่างั้นโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีสร้างสารปรดภูมิฐานสร้างโรงพยาบาลดีไหมมันจะได้กาเจี่ยวมันบ้าหรือเปล่าไม่คิดกันบ้างนะไม่ศึกษาทำคําสอนของพุทธเจ้าก็เป็นอย่างเนี้ยหลงงงายกันไปหมดถ้าศึกษาแล้วก็จะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดา กิแล้วไม่มีใครไม่เจ็บไม่ตายกันหรอกต้องเจ็บต้องตายต้องแก่ด้วยกันทุกคนจะมีสารพระภูมิหรือไม่มีสารพระภูมิจะห้อยพระหรือไม่ห้อยพระมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook Live นะครับคําถามจากาผู้ปฏิบัติธรรมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่งลูกเป็นผู้ปฏิบัติใหม่มีเวลาในการปฏิบัติธรรมแค่วันหยุดเพียงหนึ่งวัน มาปฏิบัติธรรมทีไรรู้สึกสงบมีกำลังใจไม่อยากกลับทุกทีลูกขอแนวทางในการปฏิบัติธรรมสาหรับผู้ที่ต้องทำงานด้วยเจ้าค่ะก็ลาออกจากงานด้วยจะได้มีเวลาปฏิบัติเยอะๆแม่จะต้องทาเลยทำไปทำไมทาแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆออกมาบวชเลยดีกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ข้อที่สอง ลูกเคยได้รับพระบรมสารีริกธาตุที่แม่ชีท่านหนึ่งได้ให้ไปที่อินเดียให้มาสามองค์เม็ดเล็กอยู่ในเจดีพระอบลูกบูชาผ่านมาหนึ่งปีเปิดดูมีเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเก้าเม็ดลูกสงสัยว่าเกิดจากอะไรเจ้าคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามพระธาตุดูมาอย่างไาางไปยังไงมาถามเราทำไม คำถามจากคุณชัดพิมล น, นะครับโยมปฏิบัติกรรมฐานเป็นประจำสม่ำเสมอจิตใจก็สงบดีแต่ทำไมเวลาเจอคนที่ไม่เคยทำที่เคยทำไม่ดีกับเราไว้มากๆจนเรามองเขาเป็นอากาศธาตุเกลียดจนไม่มองหน้าเวลาเดินสวนกันพอเจอเขาหรือได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเขาจิตใจโยมจะรุ่มร้อนมีความผู้สึกเกลียดชัง โยมพยายามทำใจปล่อยวางอโหสิกรรมอย่างไรก็ไม่ได้ผลทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วกาเรียนถามพระอาจารย์ว่าโยมจะดับไฟในใจได้อย่างไรเจ้าคะก็ภาวนาไปสิเวลาเกิดไฟก็ภาวนาพุทโธพุทโธไปเนี่ยพอใจสงบไฟมันก็ดับเองอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเป็นไฟขึ้นมาอพอใจเริ่มไฟลุกขึ้นมาต้องรีบเอาน้าของธรรมะ ม, มาดับ น้ำของธรรมะก็สติเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราร้อนขึ้นมาพอเราอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวใจเราก็เย็นลงคำถามจากคุณบีนะครับคาถาต่างๆมีมากมายแต่เราไม่ได้ท่องบทสวดหรือคาถาใช้การภาวนาแทนได้ไหมคะก็การภาวนาไม่ต้องใช้คาถาเนี่ย คาถามีไว้ทำไมก็ไม่รู้คาถาอาคมนี่สำหรับเป็นวิชาทางก็เรียกเดลฉานวิชาอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าเอาใช้ค า, าถาอาคมกันทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องคาถาอาคมพุทธศาสนาสอนเรื่องการเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์จะสวดบทไหนก็ได้สวดบทสั้นบทยาวก็ได้ สวดนี้เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆพอใจไม่คิดใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายเช่นเมื่อกี้เวลาเจอคนที่เราไม่ชอบแล้วทำให้เราโกรธขึ้นมาถ้าเราพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปนี่คือการสวดของพระพุทธศาสนานี้สวดเพื่อทำให้ใจเย็นทำให้ใจสงบทำให้ใจดับความทุกข์ความวุ่นวายใจความเครียดแค้นความโกรธเกียดต่างๆ คำถามจ้าคุณทรงพลนะครับฟังเทศท่านแล้วผมกลับคิดไปว่าสิ่งที่นอกเหนือจากความเป็นอนิจจังหรือธรรมชาติของโลกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงถูกหรือผิดอย่างไรครับก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไงในโลกนี้เราถึงเรียกว่าโลกอนิจจังเอมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคำถามจ้าคุณละเวงนะครับ รบกวนพระอาจารย์อธิบายเรื่องการเกิดดับของจิตคะ่ะจิตไม่เกิดไม่ดับนะสิ่งที่เกิดดับมันมันเป็นอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตเช่นอารมณ์ดีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็เกิดขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนีคำว่าอารมณ์นี้เขาใช้เขาใช้คำว่าเขาใช้คาว่าจิตแทนอารมณ์แต่ตัวจิตจริงๆตัวรู้นี่ไม่มีเกิดไม่มีดับ ตัวจิตนี้รู้ตลอดเวลา24ชั่วโมง 7-11 เนี่ยไม่มีวันไม่รู้แต่ถ้าไม่มีสติก็หลับไปก็เลยไม่รับรู้แต่ถ้ามีสตินี่มันจะรู้อยู่ตลอดเวลาคำถามจากคุณสลายุทธ์นะครับกรรมที่เราเจอในปัจจุบันนี้คือการชดใช้กรรมเก่าที่เราเคยกระทำไว้ในอดีต ส่วนกรรมไม่ดีที่มีคนทำกับเราในปัจจุบันคือกรรมใหม่ที่เขากำลังก่อขึ้นถึงแม้เราจะอโหสิกรรมแผม่เมตตาให้เขาแล้วแต่เขายังคงต้องชดใช้กรรมนั้นแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับก็ต้องใช่แหละเพราะเดี๋ยวก็ต้องไปเจอคนเขาไปทากับคนใหม่เขาเดี๋ยวคนใหม่เขาก็เขาก็ทกลับเท่านั้นเอง เราไม่ทํากับเขาแต่ก็เขายังไม่ยุติดพฤติกรรมอันเดิมอยู่เดี๋ยวเขาก็ไปทํากับคนอื่นคนอื่นเขาไม่โ อ, อ้โหสิคนอื่นเขาก็ไปทําต่อคําถามจะคุณสุ น, นินะครับเราท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธรัวรั ว, ว, วไปเรื่อยๆตลอดไปที่เวลามีสติจะช่วยให้เราฟุ้งซ่านน้อยลงไหมคะถ้าเราทําตลอดที่ว่างทาดูสิถามเราทำไม เหมือนกินข้าวถามมันทําไมกินกี่ช้อนถึงใหอิ่มก็ลองกินดูสิกี่ช้อนมันอิ่มก็กินเท่านั้นถ้ากินยังไม่อิ่มก็กินมันต่อไปเพราะจิตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะบางคนบริกรรมเพลงสองสามนาทีก็สงบบางคนบริกรรมสิบยี่สิบนาทีก็ยังไม่สงบมันมันเรื่องของแต่ละคนต้องลองทําดูได้ดูที่ผลดูที่เหตุเหตุก็คือการกระทําแล้วก็ ดูที่ผลว่าทําแบบนี้แล้วได้ผลดีแล้วไม่ผลดีถ้าไม่ได้ผลก็ลองแบบใหม่ดูคําถามจะคุณสอนเพชร น, นะครับบุญคืออะไรครับบุญก็คือผลที่เกิดจากการทําความดีเช่นการให้เข้าของเงินทองแก่ผู้อื่นนี่เรียวกว่าเป็นการทําความดีให้แล้วก็เกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมา แล้วความสุขใจนี้ก็จะสะสมไว้ในใจเป็นเป็นอาหารเป็นเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ต่อในโลกทิพย์ได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วคำถามจะคุณกุ้งนะครับพระที่วัดไม่ได้ออกบิณฑบาตเลยอย่างนี้ถือว่าผิดพระวินัยหรือเปล่าเจ้าคะพระวินัยไม่ได้บังคับให้บิณฑบาตเป็นเพียงแต่คาแนะนาคาสอนว่าควรจะกระทำ กิจที่พึงกระทมของพระคือการบินบาตดเป็นวัดนี่แต่ไม่ได้ผิดถ้าไม่ได้บินบาดก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลส2 7ิ็ข้อเพียงแต่ว่าไม่ได้ทำตามคาแนะนำของหมอถ้าไม่ทำตามคาแนะนำของหมอก็จะไม่หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บผู้ที่ไม่บินบาตดนี้มักจะไม่หลุดพ้นจากการทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่บินบาตนี้มักจะหลุดพ้นกัน ดูพระพุทธเจ้าท่านก็บินทบาทหลุดพน้นแล้วท่านก็ยังบินทบาทอยู่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างสอนผู้ที่มาบวชใหม่ให้เห็นความสำคัญของการบินทบาทเวลาพระบวชใหม่ก็สั่งให้สอนว่าต้องบินทบาทแล้วก็เวลาอยากจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นก็ให้ถือทุโดงขวัตก็คือให้ถือบิทบาทไม่รับกิจนิมนต์ต่างๆอันนี้เป็นกิจวัตรที่ พระพุทธเจ้าแนะนำเพราะว่าจะทำให้การปฏิบัติเพื่อการดุดพ้นนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าไม่บิณฑบาตนี้มันจะเกิดความเกียดคร้านขึ้นมาเมื่อเรายังไม่สามารถที่ถ้าเมื่อเรายังไม่มีความเพียรที่จะไปหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราได้เราจะมีความเพียรไปฆ่ากิเลสได้อย่างไรนี่นี่คือเหตุผลว่าทาไมเราต้องบิณฑพต้องบิณฑบาต เพื่อที่จะได้กาจัดความเกลียดคร้านเพราะถ้ามีความเกลียดข้าแล้วมันจะไม่สามารถไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อกาจัดกิเลสตัณหาเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้ามีความขยันหมั่นบินตบะอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้มีความภาคเพียนก็จะทำให้ขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิเมื่อมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะมีการหลุดพ้นตามมา คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมในสวนนะครับลูกรู้สึกว่ายังดูแลแม่ยังไม่ดีพอลูกจะบาปไหมแต่ก็พยายามทําถึงที่สุดแต่งานที่ทํารายได้ไม่เยอะลูกจึงดูแลแม่ได้เท่าที่ทําได้แต่ก็รู้สึกผิดในใจเจ้าคะ่ะถ้ารู้สึกว่าผิดก็ทําให้มันถูกด้วยทำให้มันมากขึ้นถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปรู้สึกว่ามันผิดก็คิดว่าเราทําได้เท่าที่เราทําได้ คำถามจากคุณเอกกคุณนะครับการพาสัตว์ไปให้หมอสัตวแพทย์ทาหมันเช่นสุนักและแมวเป็นบาปกรรมแก่เจ้าของสุนัขหรือเปล่าครับการทําหมันไม่ได้เป็นการถ้ายันไม่ถือว่าบาปคําถามจากคุณพัชรีนะครับเห็นคนเขาบอกว่าถ้าปล่อยสัตว์ใดห้ามกินสัตว์นั้นใช่หรือเจ้าคะ ไม่เกี่ยวกันนะปล่อยปลาก็กินปลาได้แต่จะไปกินปลาที่เราปล่อยก็แล้วกันก็ไปกินปลาที่มันตายแล้วไปซื้อที่ตลาดมีปลาไหนมันตายเราอยากจะกินปลาก็ซื้อมากินได้เราเห็นปลาไหนที่มันยังดิ้นอยู่เราไปปล่อยมันก็ปล่อยได้มันไม่เกี่ยวกันคําถามจากคุณล็อตนะครับก่อนตายถ้าเราทําสมาธิอยู่กับลมหายใจดูลมหายใจแล้วเมื่อหมดลมหายใจ แล้วจิตเราจะไปจับอะไรต่อครับก็จับที่ตัวรู้สิถ้าไม่มีลมหายใจก็จะมีตัวรู้ก็อยู่กับตัวรู้ไปให้สักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับอะไรอ๋อเขหมายถึงเมื่อเมื่อหมดลมหายใจแล้วจิตจะไปจับอะไรต่อใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่มีลมหายใจก็ตัวรู้ไง ก็แล้วแต่ตัวรู้ตัวที่รู้ลมมันไม่ดับไปกับลมไงเมื่อไม่มีลมก็รู้กับที่ตัวรู้รู้ว่ากําลังรู้อยู่ไม่สักแต่ว่ารู้ไปคําถามจากคุณชยภานะครับพาเพื่อนที่พาเพื่อนไปฟังธรรมเมื่อวานเขาจะบวชแต่อยากบวชที่วัดยานอยากให้ท่านช่วยชี้นําว่าต้องทําอย่างไรก็ไปติดต่อกับกุฏิเบอร์สี ที่วัญยานเขาจะมีพระรับเรื่องการบวชให้คำถามจะคุณสิริชานนนะครับคารวะสูบเครื่องมึนเมาสูบบุรีผิดศีลไหมคะแล้วพระสงฆ์ที่สูบบุรีผิดศีลไหมคะไม่ผิดหรอกเพราะสุราเอ่อเพราะบุหรี่ไม่ได้เป็นเครื่องมึนเมาสูบแล้วไม่ได้ทำให้เมาเหมือนดื่มสุราสูบแล้วก็ยังมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับตอนที่ไม่ได้สูบ ไม่ถือว่าเป็นเครื่องมือเมาไม่ได้ทำให้ขาดสติไม่มีศีลไม่มีข้อบังคับห้ามไม่ให้สูบบรีคคำถามจากคุณขวัญ น, นะครับหนูฝึกปฏิบัติปล่อยวางโดยเมื่อรู้เมื่อละเมื่อตัวรู้รู้อารมณ์ใดพอรู้แล้วจะละไปเรื่อยๆทั้งวันจนเช้าวันหนึ่งตื่นมาใจไม่มีที่เกาะมันว่างจนหาจิตไม่เจอ รู้สึกตกใจจึงหายใจลึกๆทีๆจึงเจอจิตผู้รู้หนูฝึกผิดไหมคะและควรทําอย่างไรก็ให้ปล่อยวางให้รู้เฉยๆกับทุกอย่างแม้แต่ไม่มีตัวรู้ก็ให้รู้ว่าไม่มีตัวรู้ก็จะไม่ไม่ไม่มีตัวรู้ได้ไงเมื่อเมื่อไม่ตัวเมื่อเรารู้ว่ามันไม่มีตัวรู้ก็ตัวที่รู้ว่าไม่มีตัวรู้นั่นแหละก็คือตัวรู้อยู่แล้ว ก็จะไปหาตัวรู้ไปวิ่งหาเงาของตัวเองทําไมตราบใดที่รู้อยู่ก็ถือว่าก็รู้อยู่แล้วจะไปหาตัวรู้ตรงไหนอีกให้รู้เฉยๆถ้าไม่มีอะไรให้รู้ก็รู้ว่าไม่มีอะไรให้รู้เท่านั้นเองก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปคําถามหมดแล้วครับพระอาจารย์ไม่ต้องไปไขว่คว้าหาลมหาอะไรถ้าไม่มีอะไรให้รู้ก็ให้รู้อยู่กับความไม่มีนั่นแหละ ดีที่สุดเพราะความไม่มีมันไม่มีเรื่องพอมีแล้วมันมีเรื่องพอรู้ถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วพอไม่มีรู้พอไม่มีคนนั้นคนนี้ให้รู้ก็สบายเอานถ้าเราเข้าถึงความว่างได้นะดีที่สุดไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรแล้วลมก็ไม่ต้องไปหามันแล้วให้รู้อยู่กับความว่างให้รู้เฉยๆไปก็ดีใกล้เวลาจะหมดมีใครอยากจะถามอีกไหม ถ้าไม่ถามก็จะขอปิดประชมุมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ